ความสุขสวัสดีไปยังนิสิตนักศึกษาขณะที่กําลังทาหน้าที่ในการศึกษาอยู่แล้วก็ในไม่ช้าเราเองก็ต้องเรียนจนจบเรียนจนจบถ้าไม่จบแสดงว่า แทงอยู่ในท้องยังไม่เกิดเจนนเรียนต้องเรียนให้จบแต่ก่อนที่จะจบเราต้องขยันก่อนเราต้องขยันก่อนให้ขยันมันก่อเป็นข้อต้นเะนนกิจอะไรที่เป็นของตน ทำให้ดีอนาคตก็อยู่ที่นิสิทธ์เองวันนี้เราอาจจะอยากสนุกอยากเที่ยวอยากดื่มอยากกินอยากทดส อ, อบทดลองไปเนี่ยบางอย่างมันเป็นภัยแล้วพอเราเดินทางผิดคิดจนตัวตายนะ ฉะนั้นคนที่จะให้อนาคตของตัวเราดีที่สุดก็คือการศึกษาและการค้นหาตัวเองเราพบไม่ว่าจุดเด่นของเราคืออะไรจุดด้อยของเราคืออะไรนิสัยของเราเป็นอย่างไรความประพฤต ของเราเป็นอย่างไรเราต้องศึกษาตัวเองด้วยเราจึงจะอยู่กับหมู่อยู่กับคณะทากิจกรรมร่วมกันแล้วคนประเภทไหนที่เราจะคบที่จะเรียกว่าเพื่อนใช่ว่าคบได้หมดนะที่นั่งกันอยู่ทุกคนเนี่ยนะต้องเลือกคบต้องเลือกคบ ขอบคนเช่นไรนะ่ยเราเองก็เป็นไปแล้วครึ่งหนึ่งพอนานๆเข้ามันจะซึมไปขนาดช้างของพระราชาว่าเป็นช้างที่ฝึกและเป็นช้างที่ทรงปโปรดมากเป็นช้างที่มีความอ่อนโยนพระราชานิปโปรดมากอยู่ไปอยู่มาขวัญช้าง ถูกช้างไล่เหยียบอาลวาสช้างมีอารมณ์ที่หงุดหงิดคอยที่จะทำลายใครที่เข้ามาใกล้ๆเรื่องก็ทราบถึงพระราชาพระราชาก็เลยสอบสวนผ่านช้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเมื่อช้างนี้ฝึกมาอย่างดีทำไมเป็นช้างที่ดุร้าย แล้วก็ทำลายคนก็ปรากฏว่าท่านบุโรหิตเป็นคนมีปัญญาเลยไปสังเกตในยามค่ำคืนดึกๆึในโรงช้างก็แอบซุ่มอยู่ก็ปรากฏว่าในที่ไม่ห่างไกลนะมีพวกมหาโจรมาสมหัวกันอยู่ไปปลน้นไปฆ่า ไปเบียดเบียนทำลายแล้วก็เอามาคุยกันเอามาพูดกันสนทนากันช้างนี่หูไวนะช้างนี้หูไวนะไม่ใช่หูใหญ่อย่างเดียวนะหูไวด้วยได้ยินได้ยินบ่อยเข้าบ่อยเข้าได้ยินแต่การทำลายได้ยินในกา ร, ท ำ, าราทำลายให้ร้ายทำลายให้ร้าย ฟังไปฟังมาจิตชั้งเริ่มหยาบหยาบกระด้างมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอารมณ์นี้เริ่มแล้วใครเข้ามาใกล้ก็จะเอางาจะเอางวงฟาดปุโรยหิสทราบเรื่องเป็นอย่างนี้เองก็ไปทุนประราชาเมื่อประราชาทราบ ก็สั่งให้ทหารซุ่มแล้วก็จับไปลงโทษแล้วทีนี้ก็หาอุบายใหม่ทำอย่างไรให้ช้างนี้กลับมาดีเหมือนเดิมก็ไปหาสมณพราหมณ์บัณฑิตนักปราดทั้งหลายก็มาพูดให้ได้ยินบ่อยๆในเรื่องดีๆเรื่องที่ใจเรินเรื่องเมตตา เรื่องกุศลเรื่องจิตใจโอบอ้อมอารีพอช้างฟังเอาฟังไปฟังไปจากตาที่เคยแข็งกร้าวจากจิตที่หยาบกระด้างค่อยๆ อ, อ่อนโยนลงอ่อนโยนล ง, อ, อ, นนลงอ่อนลงอ่อนลงจนที่สุดคืนกลับดังเดิมเห็นไหมนี่ขนาดสัตว์ดิรัจฉานยังได้รับอิทธิพลจาก มนุษย์ผู้ที่มีใจอำมหิตโหดเที้ยมฟังไปฟังมาฟังมาฟังไปเป็นช้างเกเรเป็นช้างอันดาผ่านพอได้ฟังบัณฑิตนักปราช์จิตก็มีเมตตาเมตตาเมตตาเชื่องเหมือนเดิมและไม่ทำลายไม่ทำร้ายใครอีกเลยให้เป็นคติเตือนไว นี่คือในประการนแต่สิ่งที่อยากจะบอกต่อเป็นนี้เรื่องการใช้เงินใครใช้เงินเกินตัวระวังจะขายตัวระวังไว้นี่เป็นคำสัตย์ใครใช้เงินเกินตัวเริ่มที่จะหลอกลวงโกหก แม้แต่พ่อแม่ที่ส่งให้เราได้รับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมค่าเสื้อผ้าค่าอาหารค่าที่อยู่อาศัยชุดกีฬารองเท้าเมื่อเราเริ่มใช้เงินเหมือนไปขี่ตามช้างเขาอยาก เขามีมือถือก็อยากมีเขานั่งรถเก่งไปกับคนอื่นนึกว่าโก้ก็อยากไปกับเขาสุดท้ายตัวเองไม่มีราคาเลยไปติดวัตถุเสียก่อนคุณค่าชีวิตมันไม่ใช่อยู่ที่วัตถุที่เราคิดว่าสิ่งนั้นจะยั่งยืนไม่ใช่เดินผิดก้าวแรกคิดจนวันตายเดินผิดก้าวสุดท้ายนั่นคือวันตายชีวิต ระวังนะบางโอกาสชีวิตขอโทษก็แล้วกันไปถ้าเหยียบเท้าแต่ถ้าผิดในเรื่องใหญ่มันจะเป็นมลทินให้กับตัวเราเองฉะนั้นใครที่ยังหลอกพ่อแม่ไม่กระตันอยู่แล้วยังไม่ตอบแทนคุณในเวลานี้นะ เขาก็ยังให้โอกาสว่าเรายังเป็นนิสิตนักศึกษาแต่เราเริ่มที่จะทำลายความรู้สึกที่แม่มีต่อลูกพ่อมีต่อต่อลูกเราเริ่มเขียนจดหมายแม่สุดที่รักพ่อที่คิดถึงบัดนี้ลูกยากำลังติวเข้ม ต้องขอเงินด่วนเพื่อจะซื้อชุดวิชาดูสิโอโหพอแม่ฟังเนี่ยอยากจะรู้มันเท่าไหร่ลูกจะได้รีบควักให้พ อ, อยังมันสิ้นเดือนแม่สุทธิรักลูกยาร้อนใจนะักอยากจะติววิชาเดี๋ยวจะไม่ทันเพื่อนเขาเดี๋ยวจะสอบตก คอยแม่ส่งเงินมันดน่วนเอาไปทําอะไรถามที่มันเป็นอนาคตหรือมันเป็นที่หมายของพ่อแม่ที่ให้ลูกมาทําอย่างนี้หรือเห็นไหมอย่าเอาความสนุกมาฆ่าตัวเองเรียนเรียนเล่นเล่นก็อบอกถ้ามีเส้นแล้วสบายมันไม่ได้ เรียนเรียนเที่ยวเที่ยวเดียวเดียวก็จบมันไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่นะ่ะไม่ใช่สอบได้เป็นเรื่องตลกสอบตกเป็นเรื่องธรรมดานี่ไม่ใช่นะ่ะต้องคิดอายุของเราในหนึ่งปีที่ผ่านไปอายุไม่รอ ถ้าเราตกรุ่นเพื่อนขึ้นไปแล้วปีสี่เราปีสาเราปีสองเราปีหนึ่งเพื่อนเรียนหรือเราปีสี่เพื่อนจบไปแล้วตกรุ่นมันไม่มีอะไรที่น่าภาคภูมิใจนะฉะนั้นการไปหลงวัตถุมากหลงแสงสีมากไม่ได้ อย่าเพิ่งไปลงความสวยที่มีอยู่มันสวยเท่าไหร่ก็เท่านั้นที่มีอยู่จะไปต่อดังจะไปต่อขนตาจะไปต่อขนคิ้วก็สุดแล้วแต่แต่เวลานี้ยังไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ายิ่งจาเป็นเนี่ยนะแป้งก็อย่าทาเลยใครไม่สนยิ่งดีปลอดภัยไว้ก่อนไงจบแล้วค่อยมาทา จบแล้วค่อยมาแต่งหาเงินเป็นแล้วค่อยมาซื้อสิ่งที่เราอยากได้แต่อย่าขายตัวก่อนอย่าเพิ่งขายใจอย่าเพิ่งขายร่างกายพอโตขึ้นเรียนจบขายความคิดรวยขายความคิดเนี่ยรวยขายตัวไม่รวยแต่มาดูแล้วเขาขายกันเยอะดีไม่ดีเป็นเอ็พอเรียนจบขายความคิด รวยมีใครมาขอดซื้อบ้างความคิดเรายัางแสดงว่ายังคิดไม่เป็นคิดเป็นต้องคิดแล้วได้เงินและเป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายเข้าใจยางใครมีไอเดียดีๆมาเส น, นอโปรเจกต์นี้ก็จะซื้อร้อยล้านออกมาเลยความคิดมีสร้างออกมาแต่ขายตัวนี่ศักดิ์ศรีมันไม่มีนะ อย่าภูมิใจกับสิ่งที่ได้มาแบบเราหมดปัญญานี่เรียนในระดับมหาวิทยาลัยมันมันต้องเหนือกว่าเพราะการศึกษาอาดูพ่อแม่ของเรานะท่านไม่ได้จบปริญญาหลายคน แต่พ่อแม่มีปัญญาส่งลูกเรียนปริญญาจนถึงด็อกเตอร์แต่ลูกจบด็อกเตอร์ไม่มีปัญญาเลี้ยงพ่อแม่ใครเก่งกว่าใครมีความคิดที่ดีกว่าใครสร้างโลกที่น่าอยู่กว่าเห็นไหมฉะนั้นตอนนี้จะมาเป็นเวลาที่ ตรงใช้ว่าเป็นอุดมมหาโลกแห่งเวลาชีวิตที่เราจะสร้างตัวเองสร้างตัวเองอย่าคิดนะว่าคนอื่นจะสร้างเราได้ตลอดไม่ใช่เราต้องสร้างตัวเองแล้วก็มีวิธีหลอกแปลกๆนะหลอกข่าเทอมพ่อแม่ยังมีใบเสร็จมีบินยังปลอมไปอีกถามจริงในที่นี่มีไหม โกหกพระบาปแต่อโหสิอายเขายกมื อ, อาอเขาเก็บไว้รู้กับใจเรารู้กันนะแต่อย่าทำอีกนะถ้าทำปรับห้าร้อยไปหมุนอะไรมีธุรกิจขนาดต้องไปหมุนก่อนเลยลูกขาเทมอมเนี่ยนะไม่ได้มันคืออนาคตเหมือนก็ให้ข้าชาวบ้านมาและไม่ ไม่ไปจ่ายค่าชาวบ้านต่อไปก็นอนนอกบ้านหรือนอนข้างบ้านมันไม่ได้ค่าเทอมชีวิตของเราเนี่ยเรายังทำลายเลยไม่หาเองไม่ว่ายังหลอกครูอาจารย์พ่อแม่แม่เจ็บปวดถ้ารู้นะ ขาดีดจมูกทีเด้ยเขาหยิกหูมาเยอะแต่มาจะเปลี่ยนดีดจมูกอย่าทำนะถ้าทำแล้วก็ถือว่าแล้วกันไปชีวิตเริ่มเป็นคนดีไม่มีคำว่าสายไม่สายนะไม่สายฉะนั้นใครยังค้างค่าเทอมแต่มีใบเสร็จไปที่บ้านแล้วบ้าง เดี๋ยวจะช่วยนี่คือพิธีหลอกเดี๋ยวจะช่วยจ่ายให้มีไหมไม่มีแสด ง, งว่าดีหมดทุกคนแต่มาถามว่านิสิตนักศึกษาเริ่มโกโหกพ่อแม่แต่เมื่อไรคิดเนี่ยคิดคิดนิดนึง เริ่มโกหกพ่อแม่เป็นตั้งแต่เมื่อไรอย่าบอกว่าสามขวบนะตั้งแต่เริ่มพูดเป็นเนี่ยนะโอ้องั้นเป็นใบดีกว่ามั้งเริ่มโกหกพ่อแม่เป็นตั้งแต่เมื่อไรอย่าทำนะลูกเชื่อเลไม่จเจริญสุดท้ายปัญหานั้นจะกลับมาสู่ตัวเราเอง ปัญหาเหมือนกับเฟี้ยงงูไม่พ้นคอพวกเราเริ่มทำตัวเหมือนกาฝากแล้วให้กับพ่อแม่ทำไมไม่ทำตัวเหมือนอ่าดอกกล้วยไม้ในป่าต้นกล้วยไม้ในป่าจะได้ประดับต้นไม้ในป่าใครเข้าป่าเขาจะได้ดูเออป่านี้สวยงามแต่เห็นแต่กาฝากไม่ไหวป่านี้จะต้องหมดแน่เพราะมันมีแต่สูบ สูบกินของต้นนั้นถ้ามีเยอะตายฉันเรายังไม่ตอบแทนคุณพ่อแม่แต่ก็อยากทำลายพ่อแม่ตอนนี้ถ้าท่านรู้เนี่ยท่านเสียใจนะพวกเราก็รู้จึงปิดบังเอาไว้แต่ปิดได้กี่วันสุดท้ายต้องหาทางออก เมื่อจวนตัวไม่มีอะไรออกก็คือต้องเอาตัวเนี่ยไปแรกราคากี่บาทพ่อแม่เลี้ยงมาเป็นหลายแสนนะก่อนจะโตเนี่ยหมดทางริขโมยริหาเงินนอกระบบอย่าให้เขาว่าเป็นโสเพณีในขณะเรียนหนังสือนะอายเขาอย่า ฉะนั้นเราต้องมีวินัยในการใช้เงินมีวินยัยใช้ในสิ่งที่จำเป็นไม่จำเป็นต้องราคาฟู่ฟ้าไม่จำเป็นํามาใช้สบูยี่ห้อได้หมดทุกยี่ห้อพูดไปไม่ดีเพราะว่าไม่ได้ค่าสปอนเซอร์ เมื่อกี้คิดจะบอกนะนึกได้ยังไม่ได้คาสะพนเซอไม่บอกใช้ได้หมดเราไม่จำเป็นต้องตามยุคไม่จำเป็นเพราะนี้ยังไม่ใช่เวลาเวลาของเราตอนนี้ขยันเรียนขยันอ่านขยันท่องและพยายามสร้างความคิด วันหนึ่งเราจะเป็นกุคคนขายความคิดวันนี้เราอาจจะยังขายความฝันไม่ได้แต่วันหนึ่งความฝันนี้ขายได้เอาเชื่อไหมละ่ะใครจะคิดว่าคนเขาขายอากาศได้เมื่อก่อนพูดเขาก็ว่าบ้าแลวขายได้เจนจะมาอยากให้ทุกคนเนี่ย อย่าขายตัวอย่าขายใจให้ขายความคิดหรือขายความฝันที่เราเคยมีแต่ทําให้เป็นรูปธรรมให้ได้ทุกอย่างเกิดจากจินตนาการก่อนเชื่อไม่ว่าดาวเทียมก็ดีหรือยานอาวกาศที่ขึ้นไปสู่นอกโลกของเรานะมาจากความคิดความฝัน การสันร้างและจินตนาการกว่าจะได้มาเป็นทฤษฎีที่เป็นรูปธรรมมันต้องมีโครงขึ้นมาก่อนฉันตอนนี้จะมาอยากรู้ว่าเราเรียนอยู่ในระดับปีสาม่เงี้ยเริ่มความคิดนี้เริ่มมีใครจะซื้อเราบ้างความคิดนี้พอจะเข้าสู่ตลาดไหนบ้างที่จะเป็นประโยชน์นี่พวกเราบางทีมันตคิดอะไร ว่างก็คิดแต่ในเรื่องที่มันไม่ใช่ความเจริญที่จะไปสู่อนาคตคิดแต่เดี๋ยวจะไปเที่ยวไหนไปสนุกที่ไหนจะไปหาใครคิดถึงใครจะเป็นนัดพบใครไร้สาระแตมาตันบทแล้วนะไร้สาระจริงๆเข้มงวดกับตัวเองสักนิดชีวิตไม่ผิดหวัง ปล่อยประชีวิตมีแต่ความผิดหวังแล้วก็พังทลายสุดท้ายคือคนหัวใจสลายเพราะไม่เคยรักษาใจเลยปล่อยมันเชื่ อ, อมาเถอะความสุขหนุ่มสาววัยรุ่นมันเหมือนดอกไม้ที่ตูมแล้วก็บานภายในเช้าพอบ่ายสายเริ่มที่จะเหี่ยวแล้วก็ร่วง เราทุกคนนั่งที่นี่ผ่านเขาว่าวัยรุ่นแต่มันผ่านเมื่อไรแต่มานึกไม่ออกไปรู้สึกตัวตอนหนึ่งไปยืนอยู่ที่แถวศึกษาพันพอดีไปดูในร้านศึกษาพันนักเรยียนที่อยู่ติดกันก็พอดีเลิกเชื่อไม่ว่าเด็กเดินผ่านหน้าตัวเองแล้ลึกขึ้นมาว่า เราผ่านไปนี้มานานแล้วนะแต่ผ่านตอนไหนเราไม่ได้ระลึกเลยรู้สึกสลดใจเราแก่ขนาดนี้แล้วหรือผ่านมาแล้วนะมันเร็วมากฉะนั้นอย่าให้ไวที่มีค่าที่สุดตอนนี้นะผ่านไปกับสิ่งล่อลวงสิ่งหลอกลวงก็หกชีวิต หลอกลวงผู้อื่นทำลายตัวเองทำร้ายอนาคตพ่อแม่เขาไม่รู้นะว่าเรามาเรียนจริงไม่จริงความประพฤติอยู่ในกรอบแค่ไหนแต่ท่านรู้ว่าลูกจะจบอีกปีสองปีเชื่อไหมนะท่านคิดว่าลูกจะจบอีกปีสองปี แต่ปรากฏว่าคืนนี้ลูกไปนั่งอยู่ในบาร์ไปอยู่ในดิสโก้กำลังถูกมมเมากำลังกินเหล้าแสงสีเสียงเคราดนตรีถูกชายโอบนี่หรือนิดนักศึกษานี่หรือปริญญาชีวิตนี่หรือที่พ่อแม่รอถ้าถ่ายภาพนี้ไปนะพรุ่งนี้ พอเปิดประตูก็เจอพ่อแม่เลยกลับบ้านลูกกลับบ้านลูกไม่ได้มาเรียนแล้วลูกมาทำตัวอย่างนี้คิดว่าจบไหมก่อนบรรยายบอกยกมือจบหมดโปรฟังตอนนี้ชักไม่ใน ใ, นใจใชครึ่งครึ่งแต่มาเชื่อว่าไม่จบทุกคน แต่ขอให้จบทุกคนอาจารย์ช่วยด้วยนะให้โอกาสเขาท่านเองแต่ไม่มีใครให้โอกาสดีที่สุดเท่ากับตัวนิสิตเองทำไมต้องเที่ยวด้วยถามว่ามีเหตุผลอะไรที่ต้องไปเที่ยวสถานที่อย่างนั้นได้เงินมาฟรีคิดหรือคนที่เลี้ยงเรา เขามีเจตนาบริสุทธิ์จริงๆเขายอมเสียเงินให้เราอย่างบริสุทธิ์หรือเขาต้องการสนุกกับเราคิดให้ดีทั้งนิดก่อนแต่ยังไงก็ยืนยันว่ายังไม่ใช่วัยเวลาเราควรอยู่กับหนังสืออย่าบอกหน้าเบื่อนะนี่คืออนาคต เบื่อห น, นังสืออายตำราเป็นคนไม่มีวิชาเกลียดครูอาจารย์ยกย่องการเที่ยวความเจริญการศึกษาไม่มีหยานะแต่มาเสียดายรู้ไหมว่าถ้าจามาย้อนชีวิตได้ชีวิตจะไม่มีคำว่าความ เกลียดคร้านหลากยาวๆนิดให้มันสาสมจะมีคำว่าความขี้เกียจจะขยันสุดยอดจะมาและจะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เดี๋ยวพูดจาดีๆกับท่านพูดเพราะๆกับท่านช่วยเหลือท่านทุกอย่างถ้าเห็นท่านยกแก้วน้ำเดีรีบวิ่งไปถือก่อนเดี๋ยวว่าแต่หิ้วถังน้ำ ถ้าตอนนี้นะพ่อรู้ว่าท่านมีค่ามากเลยมีค่าตอนมีชีวิตอยู่นะตอนตายเนี่ยเราจะคิดถึงไปมันก็คือแค่ความรู้สึกแต่เราไม่ได้แสดงความรักความกตัญญูการตอบแทนคุณทำไมเราไม่แสดงออกความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกท่านแสดงออกคือรับผิดชอบเราทุกเรื่อง ให้ทุกอย่างนึกดูจริงไหมแต่ความรักของเราที่มีกับพ่อแม่ดูเหมือนไม่มีการแสดงออก่อมาถือว่าเป็นความผิดเคยกอดพ่อแม่ไหมเคยพูดให้ท่านดีใจไหมเคยช่วยเหลืออะไรท่านใครยังไม่ทำทำเชื่อเดอเรียนจบ ใครไม่ให้จบตรรมมาเนี่ยให้จบเชื่อจะศีลธรรมอยู่ที่ไหนไม่ผิดหวังลูกศิษย์ที่นี่เรียนต้องบอกว่าเป็นได้เกรดนิยมแล้วก็ได้เหรียญเหรียนภูมิพลวันนี้ไม่ได้มาทํามมาจะให้เจอภาษาอังกฤษนี่อย่างนี้เลย เก่งเขาใช้เวลาชีวิตศึกษาเขาไม่คิดว่าเป็นการลำบากในะการศึกษาเขาคิดว่านี่คือการเตรียมความพร้อมให้กับชีวิตที่เราต้องไปแข่งกับสังคมสำคัญนะเอาตอนนี้เราทำตัวอย่างไรก่อนดูตัวเองก่อนเราอยู่ในชุดไหน นิสิตนักศึกษาต้องรักษาสถาบันพอจบทำงานต้องรักษาบริษัทอยู่กับครอบครัวต้องรักษาครอบครัวนี่คือชีวิตที่เราต้องเดินตั้งแต่ก้าวแรกแล้วก็มีก้าวต่อต่อไประวังอย่าอกหักตอนเรียนนะ สมองมันทึบจิตมันไม่ไหวแล้วใครเริ่มมีความรักบ้างฉันชู้สาวโง่ชอบใจนะโง่โง่ดันไม่ใช่อนาคตแต่มาจึงแช่งมาโง่มันผิดเวลาความรักเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ดีไม่ไดีแต่มันต้องรู้เวลาต้องรู้ตอนนี้ควรรักพ่อแม่ให้มากรักตัวเองรักอนาคตรักการเรียนนี่คือความฉลาดเราเริ่มเป็นเด็กเที่ยวเริ่มใช้เงินเกินตัว พักผ่อนไม่พอนอนดึกไม่มีอะไรเลยชีวิตเรียนเพื่อให้จบมันไม่ได้อะไรฉะนั้นคนที่เริ่มใช้ชีวิตผิดก็เริ่มทำตัวผิดแต่มาถามจริงเดือนหนึ่งต้องใช้เงินเท่าไหร่ชีวิตจริงๆนะไม่ใช่ฟุ้งเฟอ้อ ไม่ใช่ค่ามือถือไม่ใช่ไม่ใช่ค่าเสื้อผ้าชุดชุดนี้เท่าไหร่แต่มาชีวิตจริงๆที่เป็นนิสิตนักศึกษาต้องใช้เดือนละเท่าไหร่ใช้อยู่ในกรอบไม่มีค่าลิปสติกดินสอทาคิ้วนี่ไม่เกี่ยวกันเลยไม่ต้องมีตัดออกตัดออกมีแค่ค่าแฟ็บ สบู่ยาสีฟันอาหารค่าหนังสือค่าเทอมเสื้อผ้าใส่ไม่ต้องมากชุดถ้าเราขยันสักสามชุดพอแล้วพอแต่มาชุดเดียวไม่ได้คุยชุดเดียวงานในไหนก็ชุดนี้โก้ธะไม่มีสากคนชุดเดียว งานแต่งก็ชุดเนี่ยงานศพก็ชุดเนี่ยบ้านใหม่บ้านเก่าชุดเนี่ยไปบรรยายก็ชุดเนี่ยนี่คือชีวิตจริงฉะนั้นอยากให้นิสิต ท, ทุกคนนะใช้ชีวิตจริงก่อนอย่าเพิ่งเอาชีวิตที่มันเป็นสังคมเข้ามามากเรายังอ่อนหัดนะนึกหรือว่าเขาขับรถเก่งมาเขาจะเสียค่าน้ำมันฟรีฟร สองรอบสามรอบสี่รอบรู้มื่อเขาคิดอะไรเขามองสัดส่วนเราหมดแล้วทำไมเ็าต้องมาเปิดประตูให้ดูมันเรามีค่ามันจริงทักกี่วันแดิมมาอยากดูกันเขาพูดเพราะอยากกินอะไรสั่งชอบอะไรบอกจะไปไหนบอกตามใจทั้งนั้นคนนี้คือคนไม่ดี แต่มาบอกนี่คือคนประสงค์ร้ายถามจริงพ่อแม่เขาตามใจเรางี้ไหมไม่พ่อแม่เตือนบอกสอนด่าด้วยแต่เป็นทางที่ปลอดภัยไม่มีอันตรายคุ้มครองชีวิตของเราได้เราเดินตรงตรงทางได้และไม่มีคำ ว, ว่าผิดหวังที่ผิดหวังพวกเราทําเองแต่มาถาม พ่อแม่เคยทำให้ผิดหวังไหมไม่มีแต่เราอะทำให้ท่านผิดหวังกาตันยูกตะเวทีคือต้องรู้จักการตอบแทนผู้มีคุณเลี้ยงดูเรามาคือบุปการีฉะนั้นอย่าคิดนะว่าคนที่เขาขับรถมารับมาส่งเราเราเชื่อใจ มว่าเจอกี่วันรู้จากกี่เดือนเขาดีจริงๆขาดเขาแล้วฉันจะตายอะโถมาว่ามันโง่ความคิดมันไม่สร้างสรรค์มันไม่ใช่เวลาครบได้ไม่ได้แต่มาไม่ได้ห้ามแต่อยู่ในกรอบอยู่ในกรอบ ไม่ใชชีวิตของฉันฉันจะทำอะไรก็ได้ไม่จริงอ่ะมันมีกฎหมายทำอะไรมันต้องมีกรอบอยู่ในสถาบันก็มีข้อบังคับมีระเบียบฉะนั้นพึ่งตัวเองก่อนดีที่สุดเชื่อตามาเถอะรีบหาความรู้นั่นแหะคือ เพชรนินจินดาและเป็นศักดิ์ศรีด้วยคนไม่มีความรู้เวลาก็พูดอะไรนั่งมองเขามีแต่ภูมิใจเขาแต่เราไม่เคยภูมิใจตัวเองเลยเนะี่ยแย่แย่แต่มาถามจริงเคยรู้สึกภูมิใจตัวเองบ้างไหมต้องให้คิดหนึ่งนาทีอาจจะหายากหน่อยภูมิใจตัวเองเนี่ยนะ เฮ้ยขำเดี๋ยวโมขำไหมอะไรคือสิ่งที่เตืองภูมิใจเชื่อไหมความภูมิใจคือสิ่งที่เราได้ทําสิ่งที่ดีหรือมีค่าหรือมีประโยชน์ไม่ใช่หลอกเขาได้แล้วภูมิใจนั่นมันคือภยัยวันหนึ่งเขาจับได้อย่างไม่เสียกาาเทอมเนี่ยสุดท้ายมันก็จนแท้ม จนแต้มโรงเรียนต้องบีบคั้นทำจนมาไปถึงผู้ปกครองอา้าวมีวิธีอีกมีผู้ปกครองเทียมมาอีกเก่งมากไม่รู้จูงมาจากแถวไหนไม่รู้แต่มันก็ไม่ตลอดสุดท้ายก็มีจดหมายไปถึงบ้านหรือตัวเองก็ต้องปิดภาคเรียนก่อนกำหนดดบไง แล้วเอาไปทำอะไรเงินไปซื้อติมไปเต้นไปดูหนังซื้อมือถือค่าโทรศัพท์เดือนนี้มากตลกซื้อชุดแต่มาบอกสามชุดพอแล้วเอาชุดที่มิดชิดหน่อยนะคอกลมไม่ต้องเป็นคอเว้า พอเรียนจบทำงานอยากซื้ออะไรมีเงินซื้ออยากกินอะไรมีเงินกินอยากเที่ยวก็ไม่ผิดกฎหมายเ็าไม่ห้ามเกินส8บแปดแล้วนี่ยิ่งบรรลุนิติภาวะด้วยคนรู้จักหาเงินคนนั้นคือคนรู้จักใช้ เดือนต้องให้ชนเดือนนะถ้าไม่ชนเดือนเท่ากับเป็นหนี้ผ่อนหนี้หลายปีหลายเดือนก็เป็นลิงพอกหางหมูแล้วก็มีดอกสุดท้ายก็ทําสิ่งที่ไม่อยากทําก่อนอื่นตมาบอกให้รีบเรียนให้จบแล้วเรามาขายความคิดมันแพงเยอะแต่ขายตัวไม่แพงไม่แพง พัองน 2, 000, 3, 000แัแรกๆนะพอห น, หนักเข้าสามร้อยสองร้อยจริงก็ะมาผมไม่แพงไงยึงไงก ร, รมังกรไปเที่ยวยังไงอยู่เขาก็ได้เงินไม่ได้มากเขาก็เที่ยวแต่ถ้าเราขายความคิดอาจจะได้โปรเจกต์เดียวเป็นล้านหลายๆ ล, ล้านอย่างสถาบันิกเห็นไหม บางโครงการที่เขาออกแบบเขาได้เป็นร้อยร้อยล้านไม่ใช่ร้อยนะร้อยร้อยล้านรวยแล้วเห็นไหมถ้าไม่เอาความสามารถออกมาขายมันขายไม่หมดความสามารถยิ่งขายยิ่งเยอะประสบการณ์ยิ่งมาก ผลงานยิ่งมีโอ้โ oh, หคนก็มาติดต่อเห็นไหมดูนักดีไซน์ดีไซนเนอร์ออกแบบใหม่ๆยิ่งออกแบบเท่าไรมีผู้มาติดต่อแล้วก็เชิญให้ไปออกงานใหญ่ๆ ใ, ให้ดีไซนเนอร์รู้ไหมครั้งละเท่าไหร่แพงกว่านั่งแบบที่เดินเนี่ยก็ใช้หมอง อีกขสางเขใช้สมองอีกขีวสาสงสาไม่เคยชกต่อยเขาใช้สมองเขาไม่ต้องเอายด์เงือไปแลกกับเงินเขาใช้มันสมองแพงกว่าเยอะระดับผู้บริหารเนี่ยเขาใช้สมองใช้มันสมองใช้การบริหารดังนั้นการเดินให้ถูก เราควรจะเลือกเดินเดินให้ดีนะเดี๋ยวเราก็จากกันเจอกันก็ไม่นานแต่สิ่งที่เราจะได้คุณค่าชีวิตที่จะติดตัวเราไปตมาบอกนะว่าในสังคมที่กว้างนะมีทั้งคนดีคนเลวมีทั้งคนใจตรงใจคด อันตรายอย่าไปเชื่อใจอะไรง่ายๆต้องพิจารณาอย่าไปหลงว่านี่รูปสวยรูปหลอ่อคนนี้พูดเพราะไม่ใช่ชีวิตเราไม่ใช่อยู่กับคนแค่นี้สมมติเราจะได้ครอบครวัวหลอ่อหล่อได้แล้วาพูดพูดเพราะเอาเพราะได้ แต่นิสัยไม่ดีอ่ะได้ไปถูกทุบตีทุกวันไหวไหมเห็นแก่ตัวเงี้ยเมื่อก่อนเรามีความสุขกว่านี้นะแต่พอเราเลือกทางผิดเลือกชีวิตผิดเลือกคนผิดเราต้องทนอีกนานแค่ไหนจนกว่าเราทนไม่ไหวเห็นไหแต่ถ้าเราเลือกถูกล่ะ แต่มาบอกเลยว่าอิสตรีสิ่งที่ปรารถนาที่สุดหนึ่งได้สามีที่ดีนี่ชิ้นโบแดงเลยนะได้สามีที่ดีต่อมาก็ลองลงมามีงานการที่ดีมีลูกที่ดีนี่คือครอบครัวและก็นี่คือชีวิตการงานครอบครัว และสิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นการงานครอบครัวไหมต้องพิจารณาถ้าไปนั่งเที่ยวดื่มกินเหล้าเสพอยู่เนี่ยไม่ใช่พรุ่งนี้มานั่งเรียนนั่งหาวอาปากวอดวอดครูบอกเธอไปทำอะไรมาเมื่อคืนติวเข้มค่ะติวเข้มเข้มจนหน้าเหลืองเลยนะเข้มไปหน่อยเพียวๆเลยละ่ะ นี่ริกินเหล้ายัางเนี่ยยังไม่กิ น, น้ยแต่ลองไ้ ย, ยาเลยก็เริ่มอยากาำ่าลองนั่นแหละไปลองทำไมมันไม่ดีอันแล้วพี่สูตรได้เอาไหมละ่ะเอาเหล้ามาขวดหนึ่งก่อนกินไปเดินให้ตรงสามรอบเหยียบเส้น เรียบร้อยเอาเปิดเหล้ามากินไม่ถึงครึ่งขวดนะเดินดูสิทางมันเลี้ยวไปคตมาสุงส้งๆงต่ำาๆดีไหมละ่ะแสดงว่าเดินไม่ตรงทางแล้วชีวิตผิดละและอนาคตมีไหมก็มันเดินไม่ตรงทางก็ลองดูบางคนลองผิดครั้งเดียว เสียใจจนตายไม่ใช่สิ่งที่ลองอย่าไปลองสิ่งที่ควรทําทำสิ่งไม่ควรทําอย่าลองอยากลองเยอะนี่วัยนี้แต่บอกนะว่าเปลืองตัวเปลืองใจเปลืองชีวิตแล้วก็หมดอนาคตง่ายๆอย่าลองนะ อย่าลองแต่มาถามคําหนึ่งวันข้างหน้าเราจะให้ใครรับผิดชอบตัวเราไม่มีไม่มีใครหรอกจะมารับผิดชอบเราได้ทั้งชีวิตวันนี้พ่อแม่อาจจะอยู่ท่านส่งเสียเรารีบเรียนวันหนึ่งเกิดท่านจากไปวันนั้นจะพึ่งใคร จะมาถามวันนั้นจะพึ่งใครพึ่งทรัพย์สมบัติพ่อแม่ถ้าเราไม่มีชาความรู้ทรัพย์นั้นหมดไหมหมดและจะอยู่อย่างไรตอบไม่ได้ฉะนั้นพ่อแม่ที่ห่วงที่สุดตอนนี้คืออนาคตของลูกท่านจึงส่งมาให้เรียน และให้เรียนให้จบมีพ่อแม่คนไหนบอกลูกเรียนไปด้วยเล่นไปด้วยนะลูกจบให้จบช่างมันมีไหมไหนมียกมือขึ้นเดี๋ยวจะเป็นสัมภาษณ์พ่อแม่คนนั้นหน่อยว่าคิดยังไงไม่มีนะแต่ว่าถูกต้องแล้วมีไหมพ่อแม่ที่บอกลูกก็เรียนไปไงั้นนะลูกดีกว่าอยู่เปล่า เครียดเมื่อไหร่ลูกก็ไปเที่ยวกินเหล้าในคับในบาร์นะลูกขาดเหลือยังไงพ่อจะส่งเสียให้มีไหมถ้าคนก็ได้ลูกอยากจะสัมภาษณ์คนเหล่านี้หน่อยไม่มีแล้วมีไหมพ่อแม่บอกลูกไปเรียนแต่ลูกอยากใช้อะไรก็ใช้ลูกแต่หาเงินไม่ทันก็ขายตัวเลิกมีไหมมีไหม ไม่ต้องขำเรื่องจริงพ่อแม่ไม่ได้สั่งไปทำทำไมหมุนไม่ทันเอา้าเหตุผลอย่างนี้ก็บอกใช้เงินเกินตัวสุดท้ายมันเข้าตัวผู้หญิงเราอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าสิ่งนี้เมื่อมันพลาดไปแล้วนะครั้งต่อๆไปมันก็ไม่มีความหมายแล้วจิตใจมันก็ไม่ไม่ปกติ อนาคตก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรเพราะมันคดแล้วไงมันคดนะฉะนั้นหนทางเดียวขยันเรียนไม่เที่ยวไม่เล่นไม่กินไม่คบเพื่อนเสเพผู้หญิงเจ้าชู้มีไหมมีในใครเจ้าชู้ยกเบื่อเนยะ เจอผู้ชายเดินมาหล่อๆยักคิ้วใส่ผิวปากเฟิ้วดีดมือแป๊บๆมานี่มานี่อดยาขนาดนั้นหรือลูกเป็นแดงรถไฟชนตายลูกไจะได้อร่อยนี่มีพูดแ <c oughs> <c oughs> ล้วขำที่วอลลอนี้เป็นหรือเปล่านะอย่าทำไม่ต้องใครเนี่ยนะตัวพ่อเองเคยเจอ ผู้หญิงมันยืนเข้ากลุ่มอยู่สามหรือสี่คนไอเราก็เดินมาก็ยังหนุ่มอยู่นะหน้าตาคิดว่าดีกว่านี้หน่อยนะเดี๋ยวกลัวว่ า, ว า, วาไม่ไม่เชื่อแต่ต้องบอกดีกว่านี้หน่อยเนพะอเดินมาปุ๊บมันผิวปากใส่เฟี้วเอาไม่พี่ฮะไม่เอาเดินกลมหน้ากลัวมันกลัวมันยำเอาเรื่องจริงกลัวนะ กลับไปรีบบอกเพื่อนบอกไม่กล้าเดินคนเดียวละปากซอยมีไอเสืออยู่เสือตัวเมียนั่นเลมันเอาจริงนะนะมันเกิดอะไรขึ้นเจ้าชู้คิดสนุกไม่คิดถึงอนาคตชีวิตอย่างนี้มันก็จบไม่เจริญ ฉะนั้นสิ่งที่ห่วงนั่นอนาคตเรียนให้จบประเทศไทยเรายัางต้องการคนคนดีมีฝีมือต้องการเดกคนดีมีฝีมือและต้องการสมองมันสมองธรรมายหนิสิตช่วยเป็นมันสมองให้กับประเทศชาติในอีกสามปีข้างหน้าห้าปีสิบปีไม่แน่อาจจะมีผลงาน ชิ้นโบแดงแต่ก่อนอื่นถ้ารวยก็อย่าลืมกันนะอย่างน้อยก็เป็นค่าสอนบ้างสักล้านสองล้านก็ยังดีอ้าเป็นสติเตือนจิตชีวิตเดินไม่ผิดนะมันจเจริญได้แล้วใครไม่อยากรวยยกมือขึ้นใครอยากรวยยกมือขึ้นอยากรวยนายยกมือ ไม่ยกไม่รวยนะบอกไว้าถามจริงใครอยากรวยยกมือขึ้นไม่อายยกมือใครอยากรวยใครไม่ยกขอให้รวยเช้าเขาทุกคนอยากรวยแต่คําว่ารวยนั้นต้องรู้วิธีหาเงินรู้ไหมไม่ใช่พอตปลายเดือนกลางเดือนเจ้เจาปะคุณเทวดาเจ้าฟ้าเจ้าป่าเจ้าเขา ช่วยลูกช้างตัว น, น้อยเธอขอแจ็คพอตทีนะโอ้โหจเจ้าเป็นร้อยล้านเลยนะบุญไม่ทำเลยคิดแต่เที่ยวถ้าได้นะจะเลี้ยงเฮนเดนซี่คอนหยัดทั้งสิบลังเจ้าเมาตายเนะ่ยเชื่อเลเจ้าพอกินเสร็จก็ตกนรกต่อเลยหมดบุญเพราะขาดสติแต่ถ้าเราคิดรวยอย่างนั้นเนี่ยบันสเปชสปะัก แต่มาอยากให้รวยแบบเรามีมันสมองมันขายได้ยิ่งขายยิ่งยิ่งขายยิ่งขายได้ยิ่งขายยิ่งมีราคานาะสมองเนะี่ยไปดูเถอะคนที่เขาทำอะไรได้สำเร็จแล้วเนี่ยคนมาติดต่อเยอะเยอะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนต้องเลือกงาน ใหม่ๆนี้พวกเราต้องไม่เลือกงานก่อนนะอะไรที่พอจะอยู่รอดได้คว้าไว้ก่อนเมื่อไรมีทางเลือกที่ดีกว่าเลือกสิ่งที่ดีกว่าในต่มาชีวนิสิต ท, ทุกคนกำลังเลือกชีวิตที่ดีกว่าอาดีตใช่ไหมใช่นะใช่ ไม่งั้นก็คงจะไม่ไม่มาเรียนเทา้ก็สมควรเวลาก็ขอจุติแต่เพียงเท่า น, นี้ขอให้นิสิต ท, ทุกคนจงมีความสุขแล้วก็เรียนจบทุกคนแล้วก็เป็นคนดีของพ่อแม่ของสังคมขอเจริญพร